ตอนที่96ทีใครทีมันลีชิงพิงขอบตาแดงก่ําเรื่องนี้ลูกต้องฟังแม่นะไม่ว่าจะยังไงก็ให้ไม่ได้เด็ดขาดคุณแยกค่สิ่งที่แม่พูดมีเหตุผลแค่พอพวกเขารู้สึกว่าสามารถไถเงินจากมือเราได้ง่ายๆครั้งหน้าก็ต้องมาขออีกแน่พวกเขาเป็นเหมือนหลุมที่เติมไม่เต็มเราต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุค่ะหลี่หวันกล่าวเสียงเรียบหนูว่าทั้งพ่อและคุณปู่ต่างก็มีบารมีจัด ก, การใช้เส้นสายหรือมาตรการเด็ดขาดเลยพวกเขาไปเลยดีกว่าไม่ต้องมานั่งเกรงใจให้เสียเวลาหรอกค่ะ เจ้าชุนฮวาและสามีไม่เคยใช้อำนาจข่มเหงใครมาทั้งชีวิตทว่าความจริงพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่หลานสาวพูดคือวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดและเป็นวิธีเดียวที่มีอยู่เจ้าชุนฮวาส่งสายตาเชิงถามไปทางหลีชิงพิงว่านางคิดเห็นอย่างไรหากลูกสะพ้ยไม่มีความเห็นคล้านเช่นนั้นก็ทําตามที่หลานสาวว่ามาหลีชิงพิงพยักหน้าตอบอืมนางเห็นด้วยกับสิ่งที่ลูกสาวพูดเป็นอย่างยิ่งคุณแม่คะเอาตามนี้เถอคะค่ะตกลง ชุนหัาเอ่ยปากทำลายบรรยากาศตึงเครียดอีกครั้งเอาละอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ไม่สบายใจพวกนี้เลยแม่ทำมื้อเย็นไม่ทันแล้วหรือว่าวันนี้เราไปกินที่โรงอาหารกันดีหรือถ้าไม่อยากกินที่โรงอาหารเราก็ไปกินที่ร้านข้างนอกกันช่วงนี้อากาศยังหนาวอยู่ไปกินหม้อไฟเนื้อแกะกันดีไหมหากรอจนอากาศอุ่นขึ้นกว่านี้ก็คงจะกินหม้อไฟเนื้อแกะไม่ได้อัตรรสแล้วดีครับครับเจ้างเศร้าสิ่งดีใจที่สุดเขากระโดดโลดเต้นสะพายกระเป๋านักเรียนกลับมา คุณย่ารีบไปกันเถอะครับเดี๋ยวถ้าไปช้าจะไม่มีที่นั่งเจ้าเด็กคนนี้วันวันรู้จักแต่กินพอได้ยินเรื่องของกินเข้าหน่อยก็ดีใจเชียวนะเจ้าชุนฮวาสายหน้าด้วยความเอ็นดูตกลงแยกจะเข้าไปหยิบเงินในห้องก่อนคุณแม่ขนูมีเงินค่าเราไปกันได้เลยลิชิงพิงดึงแขนแม่สามีไว้นางจะกล้าให้แม่สามีเคาะเงินจ่ายให้ทุกครั้งได้อย่างไรได้วันนี้ลูกเป็นเจ้ามือนะพวกเจ้าชุนฮวาไปที่ร้านมอไฟตอนที่ไปถึงโชคดีที่ยังเหลือโต๊ะว่างอยู่โต๊ะหนึ่งพอดี คุณย่าเห็นไหมครับผมบอกแล้วถ้าเรามามาช้ากว่านี้โต๊ะตัวนี้ก็คงไม่เหลือแล้วถ้าไม่มีโต๊ะเราก็แค่เปลี่ยนร้านกินสิจะอดตายเชียวหรือเจ้าชุนฮวาหัวเราะออกมาเดีย๋ยวพวกเจ้าทุกคนกินให้น้อยหน่อยนะประหยัดเงินให้อาสัยเขาบ้างคุณแม่แค่แน่นอนว่าต้องให้เด็กๆกินให้อิ่มสิคะลีชิงพิงยิ้มพรางหันไปบอกเด็กๆกินได้เท่าที่อยากกินเลยนะแต่อย่าปล่อยให้หิวและอย่ากินจนจุกเกินไปอามีเงินติดตัวมาพอจ้าเย้ หลีหวันนั่งกินเนื้อแกนามีหน้าที่แค่นั่งกินอยู่ข้างๆตลอดมือ้อโดยมีเจ้างเศร้าเหินคอยคลิบเนื้อให้เป็นระยะเจ้าชุนฮวาเห็นภาพนี้ก็ชะงักไปเล็กน้อยคนอื่นอาจไม่รู้แต่นางรู้จักหลานชายคนโตของตัวเองดีปกติเวลาเห็นน้องชายสองคนกินข้าวยังไม่เคยเห็นเขาขี้กับข่าให้เลยสักครั้งเนื้อแกะห้าถาดที่สั่งได้แล้วค่ะเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นหลีหวนันเงยหน้าขึ้นมองอีกฝ่ายเองก็ชะงักไปอย่างเห็นได้ชัดช่างประจบเหมาะเสียจริงหลิวเคอเคอ นักเก่าวผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้กลายมาเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารเสียแล้วแน่นอนว่าหลีหวานไม่ได้มีความคิดดูถูกอาชีพพนักงานเสิร์ฟแต่อย่างใดทว่า น, นิสัยของหลิวเคอเคอร์นั้นย่าหญิงจองหองเป็นไปได้อย่างไรที่จะยอมลดตัวลงมาทํางานแบบนี้พอนึกถึงตอนที่อยู่ร้านอาหารของรัฐครั้งก่อนหลิวเคอเคอร์เป็นฝ่ายมานั่งกินข้าวส่วนหลีชิงผิงเป็นพนักงานเสิร์ฟตอนนี้ช่างเป็นทีใครทีมันจริงๆ หลิวเคอเคอเองก็คิดไม่ถึงว่าการมาทํางานวันที่สามจะบังเอิญเจอหลีชิงผิงและลูกสาวเมื่อภาพลักษณ์ที่ตกต่าของตนถูกพวกนางเห็นเขาหลิวเครอรเคอก็รู้สึกอับอายจนหน้าชามองอะไรหลิวเคอเคอร์อสวนกลับด้วยน้ําเสียงไม่สบอารมณ์ทําไมคะมองไม่ได้หรือไงหลีหวานกรอกตาถ้าไม่มีหน้าจะออกมาพบประผู้คนแล้วจะออกมาทําไมคะเป็นหนูนะห น, หนูจะซ่อนตัวอยู่ในบ้านไม่ยอมโผล่หัวออกมาหรอกคะ่ะหลีหวาน แกพูดกับผู้ใหญ่แบบนี้เหรออย่าลืมนะว่าฉันเป็นแม่เลี้ยงแกลิวเคอเคอร์อ ด, าด่าทอยอย่างรำคาญใจโชคดีนะที่แกไม่ใช่ลูกสาวฉันไม่อย่างนั้นฉันจะตบปากแกให้ฉีกเลยกล้าดียังไงมาไม่มีสมาคันวะกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เรื่องการประท่าฝีปากที่ปกติเจ้งเศร้าเหิงไม่เคยสนใจแต่ว่าครั้งนี้เขากลับแค่นหัวเราออกมาคุณเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายไหนไม่ทราบผู้ใหญ่ของเสียหวันนั่งอยู่ที่นี่กันหมดแล้วแกเองก็ไม่มีการศึกษาเหมือนกัน ฉันไม่ได้พูดกับแกสอดปากทําไมหลิวเคอเคอทนไม่ได้ที่มีคนมาเถียงนางจึงด่ากราดไปทั่วผมจะมีการศึกษาหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวกับคุณเรามาที่ร้านเพื่อกินข้าวมาใช้บริการคุณก็แค่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็พอจะพูดมากไปทําไมเจ้งเศร้าเหงื่อกาวเสียงกล้าก่อนจะกวักมือเรียกเข้าแก่ร้านมีอะไรหรือครับทุกท่านจะสั่งอะไรเพิ่มไหมครับพนักงานที่คุณรับมานี่มันยังไงกันครับ มาทำลายบรรยากาศการกินข้าวของเราช่างไม่มีมารยาทเอาเสียเลยเจ้งเศร้าเหิงช้นิ้วเคาะโต๊ะเบาๆเท่าแก่ครับพวกเราเป็นลูกค้าประจําของร้านนะถ้าพนักงานเป็นแบบนี้ต่อไปเราคงไม่มาอุดหนุนร้านคุณอีกคุณก็น่าจะรู้ดีว่าในเมืองจริงไม่ได้มีร้านหมอไฟแค่ร้านคุณร้านเดียวครับครับอย่าเพิ่งโมโหไปเลยครับเท่าแก่รีพอร์โทษโดยไม่ถามถ่ยสถานการณ์เพราะคนกลุ่มนี้เป็นลูกค้าประจําของร้านจริงๆเขาหันไปถลึงตาใส่หลิวเคอเคอยังไม่รีพอร์โทษลูกค้าอีก ขออภัยด้วยครับนี่เป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านเพิ่งรับมาใหม่เพิ่งมาทำงานไม่กี่วันเลยยังไม่รู้กฎของร้านเดี๋ยวผมจะสั่งสอนนางให้ดีครับหลิวเคอเ ค, อ, เคอไม่มีทางเลือกนา่งออกมาทำงานก็เพื่อเงินจึงต้องยอมกล้ามกลืนฝืนทนหลิวเคอเคอกัดฟันกรอดขอโทษค่ะโต๊ะเราไม่ต้องให้นางมาบริการเจร้งเศร้าเหิงกล่าวเสริมป้องกันนางเล่นตุกติก ได้ครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะให้พนักงานคนอื่นมาดูแลแทนทันทีครับลิวเคอเคอร์ถูกเท่าแกัลากตัวออกไปและแน่นอนว่าต้องโดนด่าชุดใหญ่นี่มันเรื่องอะไรกันถ้าทําได้ก็ทําถ้าทําไม่ได้ก็ใส่หัวไปซะมาทํางานไม่กี่วันก็ทําให้ลูกค้าในร้านขุนเคืองลูกค้าสั่งอะไรก็ทําตามนั้นถ้าเขาไม่ให้ทำอะไรก็อยู่ห่างๆไว้สุภาพกับเขาหน่อยฉันเปิดร้านเพื่อทําธุรกิจถ้าทุกคนเป็นเหมือนแกแล่นลูกค้าไปจนหมดร้านฉันจะเปิดต่อไปเพื่ออะไร ขอโทษครับพอดีเรามีเรื่องบาดหมางส่วนตัวกันนิดหน่อยท่านวางใจเถอะแค่นี้จะเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่มีครั้งหน้าอีกแล้วลิวเคอเคอร์อรีบยอมรับผิดและขอโทษเท่าแก่เห็นว่านางมีท่าทีสำนึกผิดอย่างจริงใจครั้งนี้จึงยอมไม่เอาความจำใส่หัวไว้ถ้ามีครั้งหน้าอีกก็ใส่หัวไปได้เลยค่ะลิวเคอเคอร์อส่งเท่าแก่เดินจากไปอย่างนอบน้อมพันรู้สึกปวดหน่วงที่ท้องน้อยนางขมวดคิ้วด้วยความไม่สบายตัว ทำไมคนอื่นตั้งคันถึงได้นั่งกินหม้อไฟอย่างมีความสุขแต่ตัวนางที่ตั้งท้องอยู่กลับต้องมาทํางานงกๆเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวหลิวเคอเคอรู้สึกเป็นครั้งแรกว่าตนแต่งงานผิดคนเสียแล้วหากตอนนั้นทําตามที่แม่บอกแต่งงานกับเท่าแก่ร้านเล็กๆสักคนชีวิตคงไม่เป็นแบบนี้ทว่าพอนึกถึงความสาเร็จของโจวเจี้ยนเย่ยในอนาคตนางก็รู้สึกว่าความลําบากในตอนนี้หากอดทนอีกนิดก็คงผ่านไปได้ ส่วนหลีชิงผิงนางไม่เชื่อหรอกว่าชีวิตจะสุขสบายไปได้ตลอดรอดฝั่ง